เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังท่านั้นแร่หลงปโพธยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาวยามะแล้วขยายในช่วงของภาวนาประธานคือเพียรบำเพ็ญกุศลให้บังเกิดขึ้นไปในจิตใจซึงธรรมะส่วนใหญ่ในคำพีพระพุทธศาสนาก็อยู่ในกลุ่มนี้เป็นหลัก แต่ว่าดนยกตัวอย่างมาพอสมควรกิอในช่วงต่อไปนั้นทรงใช้คำเหมือนกันว่าให้ปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทาความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประคองจิตไว้ในการรักษากุศลที่มังเกิดขึ้นแล้วคือไม่ให้เสื่อมไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติที่ถือว่าสาคัญเพราะว่า ชีวิตของเรานั้นมีความก้าวรุดไปข้างหน้ามีความเปลี่ยนแปลงในทางจเจริญขึ้นแล้วก็แน่นอนในแง่งของชีวิตในช่วงต่อไปก็ต้องต่าลงกอต้องแก่เฒ่าชราลงแต่คุณทำความดีที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่ควรจะลดน้อยถอยลงไป ถ้าเรามองโครงสร้างที่พระเจ้าทรงวางไว้เป็นรูปของศีลสมาธิปัญญาก็แสดงว่าเป็นแนววงบันไดคาว่าศึกษาหรือการศึกษาเนี่ยมันเป็นระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์แล้วในสุดก็มาย่อยออกไปเป็นรูปของศิกขาบทถึงแปลว่าเก้าวหรือขั้นตอนของการศึกษา ที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเรามองไปเทียบเคียงกับโครงสร้างของพระสังกุณเราเจนว่าที่จริงชีวิตคนมันคงอยู่ในโครงสร้างของสังกุนนั่นแหละยังแต่ว่ามันเป็นดาบกลางละเอียดเท่านั้นเองโดยเฉพาะาอย่างยิ่งคือใน ข้อที่เรียกว่าสุปฏิปโนเพราะกว่าโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วคือปัญหาสำคัญว่าปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติดีท่านก็บอกว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบตามอะไรปฏิบัติชอบตามธรรมะ ถึงแน่นอนว่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุผลไปเกี่ยวข้องกับกาลาเทศะเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับความเหมาะความควรเกี่ยวข้องกับสถานะของเราสรุปว่ามันไปนดูความสอดคล้องที่ศัพทิิษธรรมเพระเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจจะชอบทั้งหมดแต่ว่ามีจุดบอดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็มีปัญหาแย่างเมื่อก่อนที่ ฟังข่าวพอดีก็รายงานเมื่อวันที่ 3, สามสิงหาคมที่ตัดสินเรื่องคดีสุกขุนของท่านนายกํนหมดเรื่องหมดราวรเรียงสักทีก็ดีคือประเด็นสำคัญที่คนไม่เข้าใจแล้วก็พยายามจะไม่เข้าใจหรือว่าจงใจจะไม่เข้าใจคือระบบประชาธิปไตยที่ภาษาศาสนาพุทธเราเรียกว่าเยปูยยสิกาแปลว่าถือเสียงข้างมากเป็นประมาณเนี่ย ไอ้คำว่ามากเนี่ยมันคือหนึ่งเดียวแต่นั่นเดงเช่นสมมติว่าเขาแข่งขันกันได้คะแนนเป็นล้านล้า น, ล, านล้านเนี่ยกี่ล้านก็ได้นะฮะสมมติว่าคนยี่ส่วนหนึ่งได้ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดคนหนึ่งก็ได้เท่ากันนะฮะแต่ว่าเหนือไปคะแนนหนึ่งคือสามสิบสองคนนั้นก็ชนะเพราะาเรนไม่ต้องถามเรื่องเฉวเฉียดหรือไม่เฉวเฉียดแต่เมื่อชนะก็คือชนะ ในี่คือหลักการกระชาธิปัจจ๋ยจมีคนพยายามซักถามท่านประธานตุลา ก, การรัฐประนูญมันเฉีวเฉียดหรือไม่เฉีวเฉียดเนี่ย<ม>คือนักข่าวในบางทีก็ดูก้าวร้าวไปคือไม่ได้จับถึงหลักการประ ก, การนั่นก็เป็นอย่างนั้นซึ่งเราจะเรามีหน้านที่รักษาหลักการตรงนั้นแต่ก็ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า พอสารตัดสินไปแล้วเนี่ยออกวิพาควิจารณ์กันนักวิชาการจะออกวิภาควิจารณ์กันวิจารณาทาไมฮแต่ถ้างั้นสารฎีกาวินิจฉัยคดีอะไรสารนายาสารอุทอนตัดสินคดีอะไรก็เอามานําวิจารณ์ด้วยหรือเปล่าถ้าเราไม่นํามาวิจารณ์สารรัฐธรรมนูญก็ต้องไม่นํามาวิจารณ์ไม่ว่าจะไปยกย่องใครหรือซ้ำเติมใครหรอกมันก็ถือจบแล้วมรรยุติแล้วเนี่ยนะ คือกระบวนการยุติธรรมก็ยุติอย่างนั้นเนี่ยก็กำหนดไว้ยังไงก็คือยุติอย่างนั้นเพราะหลักการตรงนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติชอบหลักการท่าว่าไว้ยังไงเนี่ยก็คืออย่างนั้นแล้วก็มีคําอะไรที่ท่านตำปาเออเค้าคมนะรู้สึกมาจากสองรอยอะไรในเก้าสิบห้าหรืออะไรเนี่ย ที่ใช้าคาว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยคือเป็นก็ต้องเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันมันไม่ใช่ออกไปแล้วรู้ยังไม่ได้เป็นแต่ต้องเป็นอยู่เขาพูดเป็นปัจจุบันนะขณะอย่างนึกโกลมเออเขาตีความได้คมเหมือนกันเวลการยิงคำว่าเป็นเนี่ยคือต้องในขณะนั้นและเป็นอยู่ไม่ใช่หลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้น ถ้าออกไปแล้วก็คือไม่ได้เป็นถ้ายังไม่ได้เป็นก็คือยังไม่เป็นมันต้องครองตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นๆจึงจะเรียกเขาว่าเป็นพระหรือเป็นนักการเมืองพระสมมติว่าพระเนี่ยแืเราู้ได้ง่ายนะครับพระเนี่ยคือสึกปั๊บในมันหมดเลยมันไม่เป็นพระเนี่ยปกะกาวคําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็จบกลับ สมมติเจความเป็นพตอนนั้นท่านจะทําอะไรซึ่งทิ่นเขก็ขาห้ามพระไว้เนี่ยท่านก็ทําได้เพราะท่านไม่เจ้าจพระแล้วนี่คือหลักการแต่ว่าการรักษาธรรมะเนี่ยที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือคุณภาพจิตที่จําเป็นจะต้องรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือฐานระดับศีลธรรมระดับสังคม เวลานี้เรามองในแง่ของนักสังคมนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์นักอะไรก็ตามตจริงพูดเรื่องเดียวกันนะพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าท่านเหล่านั้นจะพูดถึงเรื่องอาการเช่นปรบปรนานยา ก, กรรมอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปเรื่องกันอาจารย์เศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปมันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวสาเหตุแต่ว่าธรรมะในพุทธศาสนานนั้นจะแสดงที่เหตุ หลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตาปฏิบัติตามนะที่จริงจนถึงปฏิบัติตามแล้วก็จะเห็นจริงตามตามความจริงที่ทรงแสดงไว้เพราะหลักธรรมะที่น่าจะรักษาแล้วก็ควรแก่การรักษาไว้เนี่ยในชุดแรกก็คือเรื่องของกัลยาณธรรม เขาเรียกว่าเ็นจะศีลเ็น เ, นเ็นจะทำนะฮะทั่วไปเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทางจิตที่เลยศีลขึ้นไปแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระจริงๆของศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาก็ต้องการพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความเมตตาอ็นดูในสรรพสัตว์ซึ่งแน่นอนว่าสรรพสัตรรว์วดเดียวเนี่ยเราคงทำไม่ได้หรอก แต่ว่าทำยังไงว่าให้จิตมันมีความประนีตขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกเมตตาอินดูในสรรพสัตว์ได้แต่แน่นอนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเราทำได้เนี่ยขยายวงกว้างคือธรรมรัศสมีออกไปได้มากเท่าไหร่เนี่ยฉันสมมติว่าเป็นชาวบ้านภายในครอบครัวเนี่ยก็เมตตากัน คือแสดงความรู้สึกเป็นมิตรปรารถนาดีหวังดีต่อกันเราเห็นว่าความรู้สึกเมตตานี่คือต้องการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียนกันไม่ปรฏิสไาลากันให้แต่และชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของต น, นก็แล้วแต่ว่าใครจะมีสถานะอย่างไงก็ขอให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะตรงนั้น คุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ถือว่าเป็นคุณธรรมหลักนะฮะเพราะอย่าลืมว่าโลโกโปัตธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกปรารถนาสารพัดในปัตตพีเมตตรีแลกได้ถึงใจจงคือถ้าเรามีเมตตาเมตตรีเป็นนิสกันเนี่ยคำเดียวกันนะครับเพียงแต่เมตตามันมีความลึกซึ้ง คือพระลานุภาพแห่งธรรมเนี่ยมันสามารถขจัดพยาบาทได้ขจัดโทสะได้ขจัดกามราคะได้ขจัดความรักระหว่างเพศได้ตลอดถึงขจัดความรักระดับครอบครัวได้และสามารถดำรงตนพร้อมที่จะทำสิ่งซึ่งเป็นเกื้อกูลเป็นประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่บุคคลล่านัน เพราคุณลักษณะของเมตตาท่านบอกว่ามีความเป็นไปในอาการเรื้อกูลคือนึกในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้เพื่ออาไรให้ไปแล้วนขาได้รับประโยชน์อย่างไรคือต้องเกื้อกูลแก่เขาจะทำอะไรนั้นจะต้องเกื้อกูลแก่คนที่เราพูดด้วยที่เราพูดถึงที่เราให้ที่เราเกี่ยวข้องกับเขา คือปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาที่ยากต่อการสะสางวันก่อนเนี่ยมีนักข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเดเนชั De ่นอะไรเนี่ยมาสัมภาษณ์เตือนเกี่ยวกับการบินทบาทของพระบางพวกบินทบาทเวียนบินทบาทสแสดงความโลภอะไรอย่างนั้นเน่ยคือบอกว่าอย่าลืมว่ามันสังคมเนี่ยมันมีปัญหาที่เหมือนกับลูกโป่ง <inadvert> คือเกดตรงหนึ่งมันก็ไปปลงอีกตรงหนึ่งกดตรงหนึ่งปงอีกตรงหนึ่งกดตรงหนึ่งเป็นปลงอีกตรงหนึ่งเสร็จแล้วก็ระเบิดได้เลยเพื่อการเหล่านี้มันจะสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอารมณ์ของคนเนี่ยนะฮะหมายความสภาพสังคมเนี่ยคนอยู่ตกอยู่ในสภาพที่ทํายังไงอยู่ให้ได้แล้วสนาะทางอารมณ์เนี่ยมันเอาตัวรอดอะ คือความคิดในแนวที่เอาตัวรอดใด้แล้วแกปีปัญหาทางสังคมที่แกอยู่นะคือเราเห็นว่าถ้าเราไปศึกษาในเรื่องเหล่านี้เราจะพบว่าคนที่ทำอย่างนั้นน่ะเป็นหลงตาซึ่งก็ชราภาพแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนปลอมบวชแต่ถามว่าเราจะไปจัดการอะไรได้ไหม ไปจับสึกไปจับใส่คุกได้ไหมแล้วถามว่ามันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเพราะปะัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ใช่เป็นปนัญหาอยากกรรมที่รุนแรงแน่นอนศาสนานั้นมันไปอุดช่องว่างของสังคมคือถ้าหากว่าไม่มีศาสนาเป็นที่หลีกเร่นของคนบางพวกมาอยู่เนี่ย ถ้าอารมณ์ของคนเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งก็จะต่อตัวรอดได้แล้วก็ออกมาปลุนข่ามันจะเป็นปนัญหาแรงกว่าเดิมและนี่มันคือกลายเป็นสภาพการกดลุกโ ป, ปง่งมันยากต่อาการที่จะขจัดอะไรให้หมดไปอย่างชิมเชิงเนี่ยปัญหาบางอย่างจึงต้องมีการประนีประนอมมีการประสานประโยชน์แล้วค่อยค่แก้ค่อยคคิดค่อยๆแก้แต่อเต๋อก็มาถามเรื่องเรื่องวัตันทําบุญนะ บาวาการทําบุญประเภททานเนี่ยในกรณีเช่นนั้นเรารู้สึกเมตตาต่อเขาไม่ล่ะแล้วของที่เราให้เนี่ยเราบริจาคทานเนี่ยได้มาในทางที่ทสุดจะสุดจริตหรือไม่ล่ะแล้วก่อนให้ขนาให้หลังจากให้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเสียดายรู้สึกไม่พอใจหรือไม่ล่ะ กว่าไม่มันก็คือได้บุญแต่ว่าไม่ใช่ได้บุญเต็มที่นะครับเพราะมีปัญหาที่ตัวผู้รับมันก็เหมือนกับเอาพืชชนิดดีไปปลูกในดินที่ไม่ค่อยดีมันก็งอกมันก็จเจริญเติบโต น, นั่นละ่ะแต่ว่าจะให้ดีเต็มที่มันไม่ได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องมาต้องเมตตานะคือไม่ได้คิดเรื่องอื่นเมตตากรุณาเนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นน่ะไม่ได้คิดเรื่องบุญเรื่องอะไรอ่ะ แต่เป็นเรื่องตีต้องช่วยกันหมูหมากาไก่โดย ย, ยังสงเคราะห์กันได้เนี่ยมนุษย์ด้วยกันทำไมไม่สงเคราะห์กันอันนี้คือปัญหานะเพราะฉะนั้นลักษณะของเมตตาเนี่ยคือทำอย่างไงว่ารักษาคุณภาพจิตของเราให้เย็นด้วยเมตตาจิตเพระถากว่ามันมองจากพื้นฐานของเมตตาแล้วจะไม่หยุมหยิมในเรื่องบางเรื่อง เอาเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนู้นมาคิดเรื่องนี้มาคิ ด, นนคดแล้วก็เธอกระถามเรื่องการทำบุญก็บอกที่จริงทำบุญไม่จำเป็นจะต้องไปทำทานบุญมากมายมหาศาลที่มีผลดีกว่าทานแล้วก็บอกให้ไปดูเรื่องบุญยัคกิยาวัตถุศีลประการในหนังสือตโนกวา่าไปดูเถอะบุญนี่ที่จริงเราทำได้ทุกคนทุกแห่งมนไม่ได้ไปเจาะจงจะต้องทำทาน เพราะถ้าเราคิดในแนว น, นั้นเนี่ยเราลองนึกดูว่ามันพุทธทาสจะได้เลยคือแต่ละคนนั้นมันเป็นกรรมของเขาถ้าเขาปลอมบวชก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาไปทำไม่ถูกไม่ควรถ้าผิดพี่นายก็พี่นายของเขาแต่ถ้าเราไปด่าเขาเนี่ยเมื่อเราก็ด่าได้โทสะโทสะมันก็บาป ก, กับเรา คือถ้าไปแจ้งคนที่รับผิดชอบไปเขาดำเนินการอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ที่ที่น่าสลบใจนะฮะคือคนเราในสวดชอบตรวจสอบสนคนอื่นคือถ้าเราเกณฑ์มาตรฐานของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้มาวัดเนี่ยนะฮะว่าคนผ่านในการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตนั้นเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะ วอาคอยติได้ทุกเรื่องคอยตาหนิทุ่งติงคนอื่นได้ทุกเรื่องเนี่ยมันเรื่องมันเรื่องเนี่ยถ้าเราเมตตาแล้วเนี่ยเราจะไม่หยุมหยิมอย่างนี้นเพราะอะไรเพราะว่าฐานความคิดเนี่ยมันมีอดทนมีใหอาา้อภัยมีการรอคอยอยู่ก็ยังนึกถึงหลวงพ่อรูปหนึ่งนี่ยมีคนก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าหลวงพ่อนี่คิดดี มีคนก็ฟ้องท่านบอกว่าเด็กวัดเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยอย่างงั้นอย่างนี้ก็จะเว็า น, นอกกันนะสะหงปู่ท่านบอกว่าโยมจะเอาอะไรกับเด็กเด็กเมื่อก็คือหมานั่นแล้วคือสมนวนเนี่ฟังสมนวนพูดเนี่ยน่าจะเป็นนงางพระอิสานนะฮนะต่อมาก็ไปเจอเนตไม่เรียบร้อย แล้วเจนว่าเนนที่จริงเขคือเด็กที่เราจับมาบวชน่ะคุณจะเอาอยัางไงกับเธอละเ อ, อิบก็ลูกหลานเราอะ่ะโชคดีดีหางก็ลูกหลานเราะจะเอาอะไรกับเธอเพราะเนนเนี่ยเราเรียกมาคุยแล้วเนงไม่มจะทำอย่างไงกับเธอก็เด็กอะคือในความรู้สึกของพระเนนก็คือเด็กอะก็เรียกมาคุยกันธรรมดาเป็นอย่า ง, งา น, นั้นนะเนนนะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยิ้มยิ้มนะฮะไม่ต้องไปทําพำท่าหน้ า, นาตาดูดูอะไร เนรไมจะกลัวเปล่าๆก็พูดจากันตอนไปถึงเนรเนีน่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเนนโยมจะเอาอะไรกันเนรเนีน่ยเนรมันก็คือก็คือเด็กกันแล้วไปถึงเจอพระไม่เรียบร้อยเขาก็ตั้งประเด็นอีกหละยังนักข่าววันนั้นะถามถามขนาดพระบิดาบาตอถามปราชิกเลยนะคือเนี่ยนังสือพินเนีน่ยมัน จุดอันตรายคือว่าแก้วเด็กไม่ประสาษีภาษาเลยเรื่องศาสนาเนี่ยเอามาทําข่าวเรื่องศาสนาแล้วเวลาพูดสัมภาษณ์อะไรอธิบายอะไรเนี่ยลงข่าวผิดตรุดเลยอธิบายเนี่แกไม่เข้าใจนะฮะอธิบายเยไม่เข้าใจว่าถ้าไม่เข้าใจมันต้องอัดเทปไปแล้วก็ลอกไปตามที่พูดมไม่ใช่ว่าเธอไปสรุปข่าวแล้วไปเขียนตัวเองแล้วทั้งที่เธอไม่เข้าใจว่าเขียนเรื่องอะไรนั่นก็กลายเป็นการไม่แมตตาแหละ ไม่เมตตาต่อพระสงฆ์ที่เป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยถ้าเรามองได้เมตตาได้เนี่ยเพราะมาถึงพระพระบังคือเน้นนั่นแหละจะเอาอะไรพระบทใหม่จะเอาอะไรกับเธอหนักหนาละเออเธอเพิ่งบวชถ้าหมจีวรไม่เรียบร้อยแล้วจะหมไม่เรียบร้อยได้งไงเพิ่งหัดอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองกันด้วยความเข้าใจมีการอดทนมีการรอคอยมีการให้อภัยไม่ถือสาความ แต่ปรารถนาที่จะเห็นนะฮะแต่ไม่เครียดหรอกคือถ้าเขาจะเริ่มเติบโตไปได้อย่างที่เราคิดเนี่ยมันก็เราก็มุ่งทตากับเขาแต่ถ้ามันไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเป็นอุเบกขาเพื่อคุณธรรมเหล่าเนี้ยมันเป็นการวางจิตเยจิตที่เราวางไว้เหมาะสมมันไม่ใช่ไปอยู่ตรงเนี้ยฉันจะอยู่ตรงเนี้คออยคืออยู่ตรงไหนล่ะ ถึงมันสงบ ม, มันเย็นมันปลอดโปร่งมันเบาสบายก็ปรับเปลี่ยนใจไปเรืยแต่เมตตานะั้นมันจะเป็นฐานเพราะเมตตานั้นจะมุ่งทาประโยชน์แก่คนที่เราเมตตาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะก็เรียกว่าไอฮิตายาสุกายาเพื่อประโยชน์เพื่ อ, อกู้กูลเนี่ยเพื่อความสุขตัวสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือคนเขารับไปแล้วได้รับความสุข จากการได้จากการมีจากการเป็นในในในฐานะนั้นๆในสิ่งนั้นๆเพราะนักการของเมตตาเนี่ยมันมีความสงบเย็นแล้วก็มองสปปรรพชีวิตเนี่ยสรรพสัตวป์สปปรรพชีวิตก็ยังนึกถึงฝรั่งนะฮะฝรั่งอเมริกาเออสเตอร์เลียอะไรแต่ไรบางทีเราก็ดูเขาเออเขาก็น่ารักเงี้ยนะ คือน่ะแมวตกไปในท่อนี่ช่วยกันเป็นมหากรรมเลยนะใช้สารพัดเครื่องใช้ของเราก็เคยแสดงในเรื่องแบบนี้แต่ว่าเราเป็นคนนี่ย น, นะครอันแรกก็คือก็คือเมตตามื่เกิดกรุณากรุณาต่อสรรพสัตว์แสดงเรื่องความอ่อนโยนที่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วก็มีความสงบเย็นมองสัตว์เนี่ยเป็นที่น่ารักคือต้องมองสัตว์เป็นเหตุน่ารัก เ ป, เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวให้เกิดซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อหาของบุคคลคุณแล้วเนื้อหากลองความเป็นพุทธว่ากันตามความจริงเนื้อหาของความเป็นพุทธคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยให้ลองสังเกตโดยจับข้อไหนขึ้นมาดูสักชุดก็ได้นะฮะเมันเป็นการพัฒนาปัญญาพัฒนาความบริสุทธิ์พัฒนาความเมตตากรุณาในจิตใจของบุคคลแล้วก็แสดงต่อบุคคลอื่น คนอื่นสามารถสัมผัสได้เป็นรู ป, ปรธรรมอ่าเช่นยกตัวอย่างว่าสามีกับพัญญาเนี่ยมีข่าวตางหนังสือพิมพ์ว่าสามีเป็นด อ, อร์ตีปัญญาตายเนี่ยข่าวความจริงเป็นยังไงไม่รู้นะฮะแต่เราลองนึกดูว่าถ้าจริงเนี่ยมันก็อ่าสลดนะน่าคิดเหมือนกัน แต่เราต้องมองนะว่าการศึกษาของเราที่เราศึกษามาเนี่ยโดยการกระทําของกระทรวงศึกษาที่จะปฏิรูปจนจะเป็นปฏิกูลอยู่นี่กระดามนมันเวลาเขาทํามาร้อยกว่าปีนะฮะสร้างมือคอร์รัปชันจํานวนมหาศาลในบ้านในเมืองเนี่ยเพรา ะ, ะเรเขาก็ไม่ผูกฝังในด้านจริยธรรมตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติในด้านดานหลักของจริยธรรม คืออย่างที่บอกเนี่ยว่าเราไม่เคยเจอผู้นํานะที่พูดเป็นธรรมะได้เนี่ยมาเจอท่านนายกเนี่ยก็ชื่นชมเขาที่จริงก็ไม่ไู้จักอะแต่ก็เคยฟังอะ่ะไม่รู้จักกันในการส่วนตัวแต่เคยฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมว่าเออคนนี้เนี่ยมาอ้างอิงธรรมะพูดถึงอัตตาอัตนิยาได้นะฮะพูดถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต้งปวงได้อะไรต่อะไรเนี่ยพูดถึงการปล่อยวางอะไรเนี่ย จึงก็หมายความว่าการศึกษาถ้ามันเข้าถึงเนื้อหาสาระของธรรมะเนี่ยมันจะมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาตั้งเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการพัฒนาที่มาต่อเนื่องเนี่ยการปฏิบัติชอบก็คือว่าภายในจิตนัน้นมันมีกิเลส ท, ที่ลดละลงไป แล้วยังไม่มีอะไรเนี่ยคือกิเลสไม่เพิ่มขึ้นดี๋ยู่มายคว่ามันลดแล้วก็มันลดอยู่ระดับนั้นก็ดีกว่ามันเพิ่มขึ้ น, น่ทีนี้ใจเรานั้นจะมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาเอาอย่างสามีพัญญายกย่องนับถือสถานะของพรญญาหมายความยังไงหมายความว่าเราเมตตากรุณาต่อเธอไม่ดูหมิ่นพัญญา ก็มีความรักความเมตตาต่อเธอไม่นอกใจพัญญานั้นก็คือความบริสุทธิ์ใจแล้วก็พิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยคือความรักความเมตตาต่อกันเมื่อความเป็น ใ, นใหญ่ให้ก็คือความเมตตาการุณาให้ของขวัญให้ของฝากให้รางวัลให้หลไรต์ลายรต่างๆเครื่อ ง, ง, งประดับประดาตกแต่งเห็นไหมฮะมันเป็นอาการของเมตตาการุณาความรักนั่นแหละแต่ว่าพัฒนาไปจนถึงเมตตาการุณา ก็แสดงว่าสังคมเราถ้าหากว่าสามารถที่จะรักษาสภาพจิตนะฮะให้มีความเป็นมิตรให้มีไมตรีให้มีเมตตาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายขยายวงกว้างออกไปได้มากๆวันก่อนใ น, นนึกคำนะฮพระนักศึกษาที่วิทยาเขติรินทรเดียอมน้อยตื่มานิมนต์แล้วก็คุยคุยกัน แล้เธอนื้อะไรขึ้นมาบอกว่าผมเป็นมานิกายแล้วถามมัเกี่ยวอะไร <c ười> คือเขาไม่ได้เคยสนใจมายังไม่เคยสนใจลูกศิษย์เราเป็นมานิกายมากกว่าธรรมยุธไม่เคยสนใจเรื่องนี้กายก็นึกข่ามาเธอนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้ก็อบอกผมวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนาะคือเธอก็เป็นนักศึกษานักศึกษาวิทยาวิทยาเขตตัวเนี้ยเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาบุรรัที่อะไซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เนี้ยเป็นมานิกายมากกว่าธรรมยุทธ์เพราะธรรมยุทธมีอยู่น้อยอนะ อันนี้ก็คือคือความรู้สึกที่บางทีเนี่ยเราคิดกันเองแต่ว่าคนควังเนี่ยคนพระทั่วไปโดยเวลานี้นะะโดยเฉพาะเวลาเนี่ยคนที่คิดเรื่องมิกายนี่จะน้อยเพราะความเป็นมิรกันเนี่ยจะสูงมากเลยจะให้ความเคารพน้ำถือยำเกรงกันตามลาดับพรรษาร์บางทีก็จักเพี้ยนเพีย น, ยนก็ใช้ยศสัยบ้างก็ช่างก็เถอะแต่ก็สรุปว่าก็มีเมตตามมตรีกันดีอยู่นั่นเอง ท่านฟังทั้งหลายในกรอบมพอดิญณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญข้อนกลไปบูญในธรรมถึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี